การแก้ปัญหาเรื่องคนใช้เจริญสติได้ดีที่สุดถ้าคิดเจริญสติให้ถามตัวเองว่าเราเอาปัญหาในออฟฟิศมาเป็นโอกาสฝึกหรือใช้เป็นข้ออ้างว่ายุ่งวุ่นวายไม่มีเวลาเจริญสติธรรมดาเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับคนจิตใจเราปัป่นป่วนว้าวุ่นตามดีกรีของปัญหา ถ้าไม่ฝึกเอากับของจริงทุกคนจะมีอัตตาเป็นตัวตั้งในการแก้ปัญหาโมโหขึ้นมาจะอดไม่ได้อยากระบายโทสะซึ่งก็ไม่มีอะไรง่ายกว่าอ้าปากด่าด่าดาจนกว่าตัวเองจะรู้สึกเหนื่อยหรือจนกว่าจะเห็นคนถูกด่าอยู่ในสภาพย่อยับอับปางการฝึกจริงต่างจากการแกล้งทำเป็นไม่โกรธ ต่างจากการสวมหน้ากากคนใจเย็นและยิงไม่ใช่แสดงละครตั้งตนขึ้นมาพูดดีๆให้ตายใจเสร็จแล้วตลบหลังการฝึกจริงเริ่มจากการจำให้แม่นๆว่าเราต้องการอะไรจากการคุยกับคนคนหนึ่งอยากให้เขาสานึกอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงหรืออยากให้เขารู้ตัวว่ากําลังจะโดนไล่ออกแล้ว ภาพเป้าหมายในใจยิ่งชัดใจคุณจะยิ่งเย็นนิ่งไม่สับสนไม่อึงอ้นไปด้วยคำด่าสารพัดชนิดจิตพร้อมจะฉลาดรู้ทิศรู้ทางไปให้ถึงเป้าหมายเริ่มจากการเลือกใช้คำเพื่อเข้าเป้าแบบตรงไปตรงมาแต่ไม่จู่โจมจนหน้าตกใจสามารถคุมโทนเสียงหนักเบาให้เหมาะกับจังหวะแต่ไม่ถึงขั้นให้รู้สึกว่าชวนเขาเล่นละครเวทีกัน จากนั้นก็อาศัยหลักของการเจริญสติไปเรื่อยๆคือสังเกตใจตัวเองเป็นและอ่านปฏิกิริยาอีกฝ่ายออกสังเกตใจตัวเองสังเกตจักใจตัวเองก่อนถ้าใจสงบมีสติยังจับเป้าหมายได้ชัดคุณจะรู้ตัวว่าพูดไปถึงไหนแล้วและต้องพูดอะไรต่อ คุณจะมีความสามารถสัมเนียกสัมผัสปฏิกริยาจากอีกฝ่ายพูดคำไหนแล้วเขายอมรับยอมฟังพูดคำไหนแล้วเขาแอบคิดโต้แย้งต่อต้านพูดคำไหนแล้วเขาสำนึกได้สติพูดคำไหนแลน้วเขาโมโหเก็บกดเจ็บแค้นคุณจะรู้สึกได้หมดแต่ถ้าอึงอนสับสนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี มักมีคำดา่าคำเสียดแทงหรือคำเข้นคอพุดขึ้นมาอ่านปฏิกิริยาอีกฝ่ายยิ่งอ่านปฏิกิริยาคนอื่นออกได้กระจางขึ้นเท่าใดคุณจะยิ่งฉลาดในจังหวะจากโคนฉลาดในการพูดเพื่อสิ่งที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้นหรือกระทั่งรู้ชัดเดียวนั้นเลยว่า คำใดพูดแล้วทำให้อีกฝ่ายจำกลับไปคิดรู้ทีเดียวว่ายิ่งคิดถึงคำโดนๆบ่อยเท่าไหร่แนวโน้มพฤติกรรมจะยิ่งปรับเปลี่ยนไปเท่านั้นความมีสติอ่อนยอมตามคำแย่ๆในหัวจัดเป็นไก่อ่อนบนเส้นทางเจริญสติถ้าสะกดใจตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีทางสะกดใจคนอื่นอยู่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ แถมอาจได้สิ่งที่ไม่ต้องการตามมาอย่างคาดไม่ถึงด้วยจะรู้ว่ามีธรรมะแค่ไหนไม่ใช่ดูกันที่เข้าใจข้อธรรมะพิสดารเพียงใดแต่ต้องดูว่าฝึกอะไรอยู่จริงๆบ้างมีเรื่องแล้วไม่คิดพูดให้เจ็บใจกันแปลว่าฝึกสติมานานมีเรื่อง แล้วเลือกคำที่ไม่คุนเขาไม่คุนเราต้องฝึกกันนานอาจจะทั้งชีวิตทีเดียว